จะมาก็มาที่หลวงพ่อพรมเขียนในปี2554คือก็ไม่ได้ไม่ได้ได้สั่ทานหวงพ่อพรมเขียนไม่รู้จักวพ่อพมเขียนไม่ได้คิดว่าจะมาหาหลวพ่อรมเขียรบกแต่สาที่มันขออยากดีทีสุมันอยากด่สดแล้วปีก่อจภาษาอะไมันอยากฟังทีนี้มีคน้าเราการบริสุทธิ์มาที่ทางไหนท่นึกที่เรียไปผู้พล มูดีมีมูนะีไปหาลูกพ่อคนเดียวทำไมเขามาอย่างีนาที่เาไม่ไสองลูกรวมทชุดที่โอกาสแล้วกาเป็นบุญที่อยู่เราในพ่ออยากเะ็ึศลนมีเพื่อนในวันมาพอเข้ามาประตูช้นางคือปตลัเข้ามาแล้วพอเราเปียนแล้วมันชีพสูงเพราะงั้นไม่มีอะไรนถ้าเรามเอเราออกจาบ้าน้อาี่ หมายว่าเข้ามาพุ๊บเจอหลวงพ่อกเสียนนั่องๆอยี่ตองห้องน้ำนั่นคืออะไร่ะเหมือนกัขุดซ่อนอยู่หลพ่อเลยว่าเรียนขุดซ่อนไหออหลพ่อเหไม่รู้จักก็ไม่รู้จักมาก็ไปเจอกันเจอมาปุ๊บใช้ขุดซ่อนเลยเออถ้าขุดซ่อนไดแหละท่างจะตาลดความดีของของอธิมารบด พอมาถึงที่นี่ปุ๊บเราต้องการนักอาณาจ า, าอย่สามารถกระมวลวิญญาพอที่นี่กระมวลควมเขียนแต่ไม่มีพระหรอกแต่วมาคุ้นเคยแล้วก็ต้องคืนให้คุณสมในปุติหลังเนื้นอหลังเียไว้สพคร้แรกเป็นปุตติยดไปคุยกันสองทุนสามทุนเงินพ่อกับลูกพร้อมประคุณมรรคคุยทุกเพี้ยเอ๊่อมาถ้าไามา่ไหวมันไง ม role, so ันเลยชวนอาจารยวนพุกเอาไว้มันเด้ชวนบอกโยมว่าจะมาไปหนอเลยะมันเลยชวนอจารยวันมันเล้ชวนอดจารย์พ่อะไปพูดบ่อยเน๊อ้แต่ว่าทำไมไม่นด้อยู่กับไม่ได้กันกับน้องพ่นเขียนปีสามห้าในจำที่ปราจุปโตพอที่นี่ก็ไปที่บุรุษดูสี่เรื่องไปพ้อวัดแห้กานไปฟังแต่ยังมีนะจริงนพ่อมันฝาก พอลงมาจัดปัญหาที่วัดมะขาวัดวิหารบรทัปีสามสี่จันทรสมสามปีสี่จันที่บรรทัยาจุ้ามาตายอุปตึงมีพ่อหรูกอาารย์บุญศิษการย์ฌานแล้วก็พาทมาได้ปีสามสีู่ปแต่ว่าได้เลยได้เห็นปฏิบัติานขอพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อนี่มีปฏิบัตาที่เรียกว่าแสดงทุกียบตร อาจารยม า, มาเวลามาด้วยก็ได้ขันข้าวคู่กับหลวงพ่อตลอดเวลามาที่ที่นี่รือที่ปากอุปโภควกิวการจะนั่งทานข้าวเลยันแล้วเวลาขันข้า ว, วายาโยมเคยตับข้าวไม่มีลอยกับข้าวโ่มก็คำเขียนคำดำไม่มีอยกินขิงเอาลงไปไม่มี้อยถ้ามันจะ้อยก็พอหยิบแล้วก็ไปโยมอปโภคิการมี เวลาได้ของกินของฉันอะไ ร, ะรามารวมมาเอาไว้พอรวมไปปุ๊บทำใ ห, ไห้ไม่ฉันแหงๆปวดอัตม า, าแล้วก็ได้ฟังหลายๆเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังโดยเฉพาะในหลวงที่ที่อาจารย์มเห็นเห็นหลวง พ, อพอ่อบริสุทธิ์ควาบริสุทธิ์ของจิตไม่มีด่าไม่มีโกรไม่มีโมโหไม่มีกระทบกระทืบ ถึงไทยมันมีแต่ยกย่องความดีของคนนี้ขโมยท so. ีขโมยโทรศัพท <anes> ์ทีนั้นปีสามห้าขโมยโทรศัพท์ทั้งย่ากเนี่ตอนนั้นโทรศัพท์เครื่องอส่ตัวใหญ่ใหญใส่ยากหน่อยรุนแรงๆเอาไปนิยามขโมยขโมยทั้งยากทั้งเนินมันโทรศัพท์นาเอาไปหมดเลยคุยเอบ้านก็เป็นกัน ยังไปจับมันได้ไปจับมันลุกตนวมันไปไปจับมันไม่ได้ไปจับขโมยนะผู้หลวงพ่อได้เป็นขนาดนั้นเองพรหมอรุศที่ท่านแสดงออกแต่ประมาท่านเจ็บไม่ทัานเจ็บหลวงพ่อกั้งเขียนนะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อตั้งเขียนไม่ไม่มาอยู่กับหลวงพ่อั้เขียนเพราะว่าหลวงพ่อเขียนไม่ใช้ให้ทำดีอะไรก็ให้ทำดีให้ทำดีไม่ใช้ ไปโยงกับหลวงพ่อจะรันใช้ตะพุดตะพือใช้จะเรียกว่ารถแท็กเตอร์เรียกแต่ประมาณใช้รถแท็กเตอร์ดับมากริโกใช้มาใช้แต่เราได้สั่งนั้นหมดแค่นีู้้ไัตถุปัญญาใส่ส่วนตัวไม่ยุดไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่อุบายกันการจะรู้ทําเนี่ยมันอยู่ที่อุปได้ิสัยส่วนตัวของเราเราต้องหาตัวเองให้เห็นว่าเราเราจะรู้ทําได้นยอุปนิสัยเราเป็นอย่างไง อาณาจักรนี่โอ้จะใช้ทงังานเนี่ยถ้าทำไม่เสเร็จก็่เลิกักงานก็ทาอยูออย่แล้วพอเราทามากเราได้ความเพียรเราได้ความมุ่นันเราได้คุม้มค่าขนานทีาจะขราบอารมณ์เราอารมณ์ของเราเนี่ยเราสม า, รถถถา ม, ม, นนมา น, นสมับทรา ม, ดมได้เพราะไม่กล้าสู้ก่อย่าง ตรงนี้วันที่คนยื่นจะหมางความยากให้เราเห็นอยู่บ้ถ้ามีโยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุประตูไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีเหมือนสมัยนี้หรอกแต่ตอนเช้าห้องน้ำทุกห้องเต็มมันเต็มเพราะอะไรเพราะติามเสียดายที่เต็มหมดทุกห้องห้องนเต็ม อู้ถาไม่ไปเจอตอนนไม่รู้รอกว่าไม้มันเต็ได้ยังไงไปเจออู้หลวพ่อตักแล้วเวลานอนนอนเนี่ยนอนไม่สบายนอนหลวงพ่อรดน้แต่ก่อนไม่มีไม้อยู่ด้วยมีอะไรอยู่ด้วยเอาไม้ที่วอนตักบ้านไปนอนทุกที่ลำบี้แต่มันตรงงานเนี่ยพวกแน่ก่อนยังไม่มีบสพอตีตากตีที่พุรมานีแล้วกันพอเราไปนั่ง เอาหันขึ้นาตมุทก็เอันทรัก really ังไม่องบอกแล้วก็ทาวักแบบน้นพอเราหันทันปุ๊บเอาัเลยทันพอเีะันปุ๊บลุกขึ้นนั่งเยี่ยมพ่อหนรอแล้วแต่ก่อนยังสงสัยอยู่ทำไมอยู่เนอะๆทาไมหลวงพ่อนอนได้ทำไมหลวงพ่อไม่เป็นอะไรพ่อเองพ่อมันท่านดีขนาดท่านแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาป่วย ขอมันมให้มาช่วยแต่ตอนที่เข้าโรงพยาบาลแรกที่โรงพยาบาลจุฬาจิตรพัฒนาเป็น น, น้ำต้นชีวไม่ช่วยปวดหนักปวดาไม่ช่วยนั่นคือมันข้ามได้ข้ามดนธรราะได้เมื่อข้ามได้แสดงให้พวกเราทาอย่างไรเราจะได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราเรยนลมกพดไม่ไวเรียงัวไม่ไหวไนอนปวดตาไม่ไหวแล้ว เราไม่ข้ามอันนี้ถ้าเราไม่ข้าบเราจะมีจริงจแล้วแต่เราไม่จูกระบวนกาทุกเรื่อถ้าเราเอาคำขอ ง, ของพระพุทธเจ้ามารับมาติดยังแคทีบรญชาสีาทุกออกายยปัฒนานใช่ไหมกายยนัฒนานเวทนาปัฒนานิจตานันปัานตัวกายนานนากายนต์ปัจจานะเนี่ยต้องทำให้มันดี ถ้ามันมีล่อกกาหนดล่องไปกําหนดดุยมันใช้ไม่ได้ตัวสติที่มันรู้ต่อเนื่องนต้องเปล่นตัวสติที่มันเืิดขึ้นเองความรู้สึกตัวที่มันเกิดเองเป็นเองได้ถนัดตรงนี้ยเราถึงจะเห็นว่าเราออกมาใช้ไองเอามาใช้ตรงไหนต้องกาหนดที่วิถีทางที่มันเกิดขณะที่เราองทำมันปวดไหมปวดหนักไหมปวดเบาไหมลองพ้องสติมากาหนดรู้แล้วลองผ่านไหม ถ้าผ่านมันจากเราเรียยว่าเราดูเวีนธรนิพนธ์านมันไม่ทำผ่านเพราะมันเป็นเป็นความรู้ที่มันเกิดจากจากตัวสติจริงๆเนี่ยมันจะบอกมันจะบอกบอกทุกเรื่องที่ที่มันเรียกม่ว่าจะเป็นความโม้ดว่าจะเป็นความเจ็บความปวดไม่ว่าจะเป็นความเหนืยความเบียปวดหนักปวดเบาเนมันก็บอกถ้ามันเห็นด้วยด้วยสติจริงๆแต่ถ้ามันผานธรรมดามันมันก็ไม่บอก ตัวสติจะไม่หลุดมุกเราก็จะรู้ทันทีเฉยแต่ว่ามันไม่หมดไอ้ฉะนั้นี่มัเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเ ร, เราเราเคยฝืนเราเคยข้ามไหมอาตมาดีเจ้าใหม่ก็เป็นเหมือนกันหมดเลย น, นะเพราะว่าเราปฏิวัติความนึดติดความโง่วามแก่งความ้าในกรหายหมดบางทีจิตใจเลยความนี่เราเราเราไม่รู้จักตัวรเราเองบางทีมันใจเราเขหลอกเรา ใจเรามันหลอกไห้รเ ร, ร, เร่อใจมหลอกเร า, ม, ม, ามันหน้ามัาสงสารมากๆเลยนะเพราะว่าเรอยู่รัง้งทีที่ที่อัตมาเนะี่ยแต่เป็นไข้เป็นไข้ที่วัดอุย้ยเราเป็นไข้นักไม่ไหวู้กจิงยาเขาไม่หายต้องไปโรงพยาบาลไปคุณวัดไปโรงพยาบาลโย่ไปโรงพยาบาลไปยาาไัยงไงล่ะไปรอยอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่สองโมงเช้าจนถึงห้าโมงแล้ว หมอยังไม่เยข้าห้องเลยทีนี้เป็นยังไงสันหูหัวเนอย่างแรงเลยหนาวุุ๊หมอเลยวั่งิเขาเข้เข้าเขาก็พิจารทีนี้ก็เขาเห็นเราสั่นยัเหมาสั่นจริงเราเข้าไปห้องหมอรับแล้วก็จิ้งจกยาอุ้ยพิจาาไม่ได้แล้วหมอหนม่ใชหมอหนูเป็นยาบาลม่งมั่นเลยนแล้วหอไม่ไดมาหมอยังไม่มาแล้วหมอมาแล้วนี่ก็อะไรก็จิงจกอะก็ วุ้ย ห, หมอคุณไม่รักโมโหเขาก็ไปว่าแค่เรื่องแรกโคตรวิ่งไปเลยพอดีวะไม่เข้าก็ได้เ่าะในโรงพาบาลมีคนก็ได้เพราะว่ามีบัตรรีเนี่ยในโรงพยบาลมีคนมีบัตรฟรีบัตรฟราอะจะมาไปริจาคเลืแล้วก็ได้บัตรรีมายืลยบัตรรีบจากเลือดทุกสามเดือนตอนนี้ก็ได้ประมาณไปสองวันแล้วหมอในโรงบาลมีคนห้าทุหมอให้มนกินไปแล้ว ไปติดตรงเชี่ยงติดตรงเชี่ยงรอหมอจะให้บายโมยาที่นาทิ้งไปสเะเ่าแตกพักพวันหุ้มหายแล้วอู้เรานมัขนาดนี้ใจเรามันโก็ขอแค่ตัวเองขนาดนั้นยู่เลยใจชิ้นเดียวยาละลายวัดตัวนีต้มากินอะไรยาลบัด ยาอะไรนวัดพวนี้ัำไมจริงยราลงวัดใช้เมื่อแตพกพักๆกลับวัดเลยทีเดียวอ้มันเป็นแบบนี้ใจเราเป็นอะไรนี่อะไรหน่อยคอยดูๆ ไ, ไปให้คนอื่นเขาช่วยนะฉะนั้นแต่ก่อนทำไมก่อนอยู่ที่นี่เปี่ยนไปจุดหาไปจุดไม่ต้องใช้ใจกว้าน้ำประปาใจใจมดอาสักไปอาเยไใชเอ ง, เองไม่ต้องมีน้ำเลยช่วยตัวเองอ ย, อยู่ช่วยแล้วตัวเองให้ได้ มันจะพัฒนาให้เรามีความอดทนมีความเพียรเมื่อเรา ม, มีความรอดท น, ทนและมีควาเพียรแล้วเนี่ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นเห็นทุปสรรคเป็นสิ่งที่ดีในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นความวุ่นความเจ็ความปวดปวกแก้ปวดขาเนี่ยอ่าจร่งๆเราเป็นเพียงแบบอุปสรรคหรือขันนันมันนั่น่เรายึดน่ารู้ก็ท่องเนี่ยนะเนาะ ยังเชื่อจะมาเป็นมาสิบปีสิบกว่าปีแล้วปวดหลังมัปวดตั้งแต่วันเดียวพอพอพอพอคือสังเกตมันขวดคือมันคีดเราไม่รู้ว่าเราคิดพอมาขมันคืมันแข็งต <stand such. S 1> ัวมันเปลนตักมันจะขึ pai. ้นอย่างแต่หลังถึงตุ้มหอยป้อเนีนอนอยู่เนี่ยจะลุกไม่ขึ้นพิกจะแทงก็ทําไม่ได้ตอนไหนเป็นเป็นพละวาส์มันทำไหม้ำไม่ดีไหมทำไม่นั้นถ้าไม่ได้ทำไงโอ้แต่คิดวันหนึ่ง ยืมับยืมปัตมันเยอแล้วอ๋อนอนไม่ได้เพราะขยับปุกมันปวดปุ๊บขยับปุกบปวดปั๊บไม่อยากนอนนอนไม่ได้ลุกมัวมันเดินปุ่มเดินสักชั่วโมงสักยีโมงพอมันมันห่างเราไปน้อยนิดพอจะแก้กินปุ๊บมันไม่แง้านลุกมันมาเดินปุ่มป่เดินไปเดินมาหายนะหายหายขาดเลยถิ่งไม่ใช่จเห็นว่าอู้นูจนเป็นบัดทาน เป็นสิ e ่ง e ที่เรายึดมาตั้งแก่ตั้งแต่เนสลวบาวว่าเราเป็นเพราะมันหายมันไม่มีเพราะเราเชื่อมันงไม่มีแม้กระทั่งการที่เราหายแกงเข้าหรายแกออกหรืออเราเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าพอเราทําอะไรที่มันเคยกินเรางทีมันก็เราเป็นเพราะต้องเก็บอารมณ์ถึงจะรู้เรื่องตัวเองนะแต่นี่ทำไมเก็บอารมณ์เรา เพราะาพอเดินยังกลมปุ๊ลาเดินลงกลมมาแล้วมันหายใจไม่ออกก็เร็วเลยมันเหลือมันผาหายใจไมอกก็ไม้มันเหยืองมันเต็มที่ไหนเข้ามาผามาทาพอมีอยู่ทีนึงเมาะเขาาไปทํังไงอ๋อของเขาไม่ทาอยู่ที่พอมัน้ต็มมันหายใจไม่ออกเดินจงกุมไปเดินไปเดินมาโอ้โหมันหลุดมันร่วงไอ้ตัวที่มันคิดว่ามันหายใจไม่ออกหรือมันจิตใจที่มันเต็มตุ่นหนึ่งก้อนเรียกว่าความคึกที่เต็มขัน ตัวคามคิดเป็นตุ้มหินก้อนหนึ่งครับเห็นมีกระจายเรนนี่โอ้หินเป็นตัวตัวความคิดตัวเราเป็นหิเห็นนี้เราโอ้เราเห็นอะไรเราไม่ได้เข้าแต่ว่าเราแต่เป็นการเราไปยึดไปจีบว่ามันเห็นเราก็ต้องรอวันนั้นเราช่วยอันนี้มาช่แต่ถ้าเราใช้สติช่วยเราไปเห็นเราใช้ความรู้จิตัวช่วยเราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นเห็นเห็นบาการไม่สำคัญนะไม่ใช่ว่ามันไม่ธรรมดานเรามาลงเราเห็ไม่ธรรมดาน งวแค่งงี่นี้มันก็ไม่ธรรมดาเนะโอ้ยเดินนึ่คมหน่ก็ไม่หาเดินหนึ่งีลตาก็ไม่หายสอมวยก็ไ่หายตีตอแท่งต่อแทงก็ไม่หายไม่หายแลยเอาหวตั้งินเอาขาชี้ฟ้าอ๋เงียบงอนงอนเยดิเอาหัวตั้งยินเลยมก็ขายี้ฟ้าเลยก็งอนไม่งอนเอาไปเลยก็ต้องงอนด มันก็ทำ ช, ชู้แหละมันชู้ไปชู้มาแล้วไม่นยุดเหนอะไรพอพอม่วงหายเนี่ยถ้าเห็นด้วยความมีสติมันบอกบอกไงอ๋อเพรมันหายว่ากุกเนี่ยเพรมันง่วงง่วงง่วงมาจากไหนก่อนที่มันจะนง่วงมันคิดเรื่องอะไรโอ้ก่อนที่มันจะนง่วงคิดเรื่องสาม หากเราพิจารณาคิดควาง่วงเข่าอู้ดิสายเงี้ยแล้วดิสายเง่้ยขอนพี่ ท, ทำอะไรวะนี่สื่อผู้ใชของของยาสมาโนะนั่งคนไม่เหมือนกันอันนี้พูดเรื่องของตัวเองมนะันมันจะไม่เหมือนกันหรอกความความง่วง ห, หรืออ่อาความอะไรเงี้ยแต่ที่เราเป็นมันจะไม่เหมือนกันของยาสมาจะใช้ได้ยาสมาใช้ประจุไม่ได้เพราะเราต้องศึกษาจากตัวเราเองเราต้องดูจากตัวเราเองเพราะนั้นอาการตา่าง แล้วทีนี้ถ้าตัวสติตัวตัวความรู้สึกตัวยึดตายยันจะปัญนาเนี่ยมันไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่องไม่มีํำลังมากพอเนี่ยมันจะผ่านอารมณ์ยากบางเรียนบางเห็นยคนละคนบางคนเหยียดมึงดูเมื่อปีเมื่อีความรู้สึกตัวตลอดเวลาก็มันเข้าสุดยกมือหายให้เราเนื้อแกไใไม่หายเขายกมือสองขาที่หายทำไมเขาทำไดขนาดนั้น เพราะผู้พิสัยจิใจของเราต่างๆงกังนไมู่่ที่ตตนั้นผู้พิสัยเก่าๆของเราคือเราฝึกโลหิตแมลงมาที่มันที่มันไม่มันเรียกว่าไม่มีปัญญากาเลยเดินรวมอยู่ที่โอกาสที่ได้เห็นอานมกัจเกยนคือที่พระตาเขาคาสาีสามแปดสามเดือนจริงๆมากันมูนให้โอกาสาเก็บมันรวมถิมนี่ก็ต้รงเนีย พอตัวสติที่มันแกะทําให้เราเห็นชัดเจนเลยใหอเรามีสติปัญญามันตับไม่มีปัญญาณาที่เดินนี่างนี้สติดิเดินเล่นเออเว้เราเดินเงียผมมันทั้งเดินมันคิดก็ได้เว้ยเออดิเออดีเดินตลทั้งเดินมันคิดก็ได้นี่คิก็ได้นี่คนคิดก็ได้ตายไปว่าเอาพอมาตอนนี้ทำไมมันไม่เงียก่อนนะถ้ามันเป็นคิดทั้งคิดปุ๊บเนี่ยวิ่งคนคิดแล้วเอาสติยันเดียว ถ้ากลับมาอย่างนี้นัครับในมหาลัคนะมันจะยุดมือถักครับแต่ความที่เรื่องความที่ไม่เข้าใจในเรื่องของอารมันเรียนอย่างกรมเนี้ยตั้งคิดตั้งรู้ก็ได้ตั้งคิดตั้งรู้ก็ได้นะตั้งมีจะดีตั้งคิดก็ได้ตายเปให้ชินพอเป็นความปุ๊บจะมหาความรู้หยุดอนเลยหายไม่ได้แล้วถึงความเปจิตที่ทั้งคินตั้งมีจะดีั้งคิดตั้งรู้ดิันแรงเขาเลื่อนยึดอย่างเนี้ยมันไม่คลัตมันก็เลยกายของเขาปฏิบัติไม่ดี อันเนี้ยเรียกว่าปิ่นปิ่นปินเขาโมโหกันตัวเองอะไรกันแปลว่าใส่การทำมากาใส่การทามากๆสิ่งใดที่มันจะทําให้เรามีกติด้มากคือทําแร่งเวลาเวลาที่เงินอย่างเราจะมีอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ได้เห็นในทานะเงินทนนั่งทำกับสมัเขียน้อยดังเงินมันก็นี้คือมันมีอยู่ที่มีอยู่ที่ตอนที่เห็นแจ็คกินที่เห็นแมย ล้วนๆเนี่ยหลวงพ่อใช้ไปบอกว่าอ่าล้วนไปยกเสาอ่าไปกหม่เาูนพอนั่ไปเกห่บอใช้อะไรนักหนาวะใช้ปดอันนี้รโยมแยแค่หลวงพ่อใช้เนี่ยใจรุ่นมันปดแล้วแต่ว่าไม่หูบใกล้ปทำแมายกไปคนทีนหนึ่งยกขึ้นก็มีสอมาขึ้นพอต้มีกายกขึ้นปุ๊บอารมนหลุดอู้ เราเราโมโหได้ยังไงเลยหลวงพอให้ทมันโี้ประโยชน์กระร น, นี่เราไโปาโกดหลพ่อเห็นค่าบ้าโอ้หลงพ่อทอะไรเราโก้องโกรธมาหลุดท้องดิมันใดวันหนเขาเราต้องทำแบบนีงเราต้องทางทให้กายเราแบบนี้จะีแต่กกจะดีแน่นแน่นสบายดีก็ทาแรงๆทำหนักๆนยิ่งพามันทาเสร็ปุ๊บทำเยนไม่ได้ไปทางาน โอ้วาดไปไมศาสนาใหม่ที่นี่เหรอทั้งหมก็วาดไปมากการปฏิบาตทํามาก็วาดไปไหมพอเก็บแล้วไปจินมัานเข้าไปกวาดไปไหมอมทดีตั้ต่ต่อไปถูกไปเรือยๆคุมรคุยันนี่เลยรืองตนี้เราวาดไปไหมตรงที่เราทานมันจริงทำมาช้าทำมาช้าจะจิตยังเลกูต่างๆนะสังใจได้ดีนะ ตอนเราทุ่งทุ่งโปร่งอยู่เราทำความเรียรอยู่เราไปบังคับเราไปกดไปยิงมันหยุไม่ได้มันได้ยากแต่เราก็ต้องําตรงนี้ตรงที่ในทางลบครงเนี่ยทำไมเดี๋ยวพอเราไปทำข้างนอกค่อยๆทำการท้ไมตรงเนี้ยมันจะตั้งใจยังายแล้วเราได้เห็นตัวจจริงๆริงมันเกิดอารมณ์ต่างๆเราจะไปตั้นใจไม่ได้เราจะไปขี้ เ, เกียจมั้งทำไลม เราไปกดไปจริงมันไม่ได้มันได้ถึงมันได้ไปตรงที่เราไปบังคับมันไม่ใช่อารมณ์ที่หรือว่ า, ต, า, าตึงจากบ่างเนี่ยตอนนี้แหละโยมเพราะว่าแต่ว่าถ้าต้องทนตรงในครั้งเดียวทุกคนเนี่ยไม่มากตอนที่เดิมนมากๆมันจะติดมีขั้นหนึ่งคือว่าทแล้วมันจำปฏิไม่ได้จำความรู้สึกถึงไม่ได้เลยอู้ยจำยังไงไม่ได้กลยังไงไม่ได้จำยังก็ฝืนไม่ไี่เก็บอารมณ์นั้นนี่ที่มันผ่าน กวาดกวาดกวาดกอกวาดอากาศกวาดจากแยกย่อยลงมันกวาูนั้นคือไม่ให้วิญญามันว่าเอาความสุขถึงตัวนะกวอดไปกวดมาคนนานเ้าน้นเขามันกนมาถึงตัวเนมั้ก็รู้เขวบได้กันเรียกว่าจิตใจของเรานต้องหาหาวิธีแก้หาวิธีการเราเองไม่ใช่ค่อยู่ที่บูบายันแล้วที่ที่ศาสนาหลวงพ่อแเดง เมื่อสองปีประมาณปีกว่าก็ถึงสอปีอาจียังุมแล้วก็กลมอดีเราก็คงกันแล้ก็ข้นเขียตกันไปที่สลัดดียุงก็โทรโทรไปถามอาจารยเลยอาเงเขาคนนึงสงยไปตรงนีนแลยที่จะตัดับก็ได้เาแต่บริเวณไปนี่ยชาตะโกก็ได้อะไรก็บริเวณเดียวนู่นมันี้เราคมอนี้ก็แล้วกันไปรอที่กาลิโกเลยจะมารับกันไม่มารับปรัจำเลยมาทีกาลิโก อามาเอาหลวง่อพไปการรกมหลวงพ่เขียนไปปุ๊บจะได้รับหลวงพุ่มแต่ไม่เจะไม่เข้าตรางกรเลืไปที่บนดหลวงพ่จะลัพอลง่งนู้นปุ๊บวี่งไปนอนเลยนอนกับืึกเลยลึกีงนที่บนดอยนอนพุ่ง้อนด้ข้าเพื่ออะไรจะกูเลยหกผ้านอนลงพุลง เรียนวารีหรอเลยนหลวงพ่อเป็นคนที่มั่นคงในใจปะวิสาสาลรมาจารย์เราเป็นยาติกันไม่ต้องว่ากันหอกแล้วก็เราเป็นญาติวิสาสะปรมาจารยเราเป็นยากิทั้งไม่ว่ากันได้อก้ทำไมบริสุทธ์ขนาดนี้จิตใจมองทำอะไรก็ได้ที่เล่ยวิ่งบริสุทธิ์เหมือนจิตแรงอันนี้เรียนโอ้โหหลวงพ่อทำให้ขนาดนี้เลยเลย นอนล้มในบ้านกับพื้นเลยนะโยมหมนีขับรถเข้าไปไปถึงล้มนอนเลยนอนกับพื้จะไปที่สลามีลับุญลมอันนี้คือได้เห็นได้เห็นสิ่งทีหลวงพ่อแสดงเรียกว่าความปฏิบัติหลายๆรุ่นโยมแต่ว่าเวลาแกตายมาทีงนอนแล้วที่อาจารมามาอยู่ที่หลวพ่อที่นี่แล้วก็หลวงพ่อก็สอนด้วย่ารกระทำแต่ทีนั้นทันที่สุดท่านจะ พูดเรื่องความเพียรทํานท ำ, ทำความเพียรในโนนนี้มาเยอยท่านจะพูดเรื่องความเพียรเน้นที่ความเพียรให้ให้ให้เราได้มมทำมากมากทำมากมากทำแบสุดเลยเราเนี่ยไม่เคยเหย็นความเรียกว่าเราไม่เคยเห็นความสุดๆของตัวเราเองในแต่ละงความสามารถแค่สุดๆเนี่งเราไม่เคยเห็นเะยอาจารย่านี่ หลวงพ่อกำลังใช้่ังการกตังรู้เพราะว่าที่ปีสี่สิบหรือปีสี่สิบเจ็ปีสี่สิเจ็ไปที่ถ้ำหลวงพ่อหลวงพ่อละบนถ้ำก้อนหินหนักห้าร้อยกิโลสามร้อยกิโลนยกขึ้นมาได้ไหมช่วงวานะหลุมมืดช่วงวานี้ยกขึ้นมาได้ไหมทอไมก่อนไม่มีแน็คโพรมันมันไม่มีมันยกขึ้นมไอ้ทำางินมัดอลึต้นนี้ ใส่ต้นไม้ต้นนดมัดต้นนี้ใส่ต้นนี้เอาลอกมาวานตรงกลางไวมัดหญิงขึ้นมาดึงสาวขึ้นมาในวันละสามพอดทําไม่ได้บอกวันนีนะ้เราพออออร่อสอนเวาพ่อสอนเราให้ทําไม่ได้เนะที่ระงับที่สุดทำไม่ได้เราจะเห็นว่าอารมณ์เราอันไหนที่ร น, นักที่สุดต้องผ่านไม้ได้อย่าแหงนข้างมาคาข้างมาคามันจะไม่ผ่านโยมรู้ไหมว่าแค่ความม่วงเนี่ย ถ้าเราหัวนีกปุ๊บฆ่าแน่โยมถ้าเก็บอารมณปุ๊บเดือดพวม่วงปุ๊บพอจะห้องกรรมฐานหนีเลยจะไม่มาอีกพัวเลยเหมือนกันเมนให้ก็เหมือนกันก้าพัวเลยไม่เลยจะไม่มาอีกจะไม่มางฏบัติอีกเลยพววอารมณ์เราลราัวแล้วอันนี้ละเยดเพราะว่าทุกทิ้งทุกอย่างมันจะคิดว่ามันหนักอารมณ์ทุกอย่างจะคิดว่าหนักถ้าเราถ่านแล้วมันจะเบก ที่มันหนักที่สุดผ่านแล้วอันนี้หยุดลงาอารมณเราทุกอย่างนะก็ปวดส่วนวั น, นก็มีเวลาเก็บกี่นาทีก็ปวดเอื่อดใพนพลังใจเพราะว่าธรรมาก็ทํามาได้นี้เลยอยู่แต่ว่าถ้าจะให้มีสติต่อเนื่องมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันทํายากมันทำาเพราะว่าเหตุว่าอุปนิสัยจิต ใ, ใจของของตัวเองเป็นคนหยาเนี่แว่าเป็นคนหยากแล้วก็เป็นคนที่ อ่าตรงไปตรงมาเนี่ยโยมเดว่าไม่ไม่มีมายาเกลิกโดยนายาเกลน่ให้พูดเพราะเพราะพวกมันบานกลัวแกเกลนกมันพูดเพราะเพราะมันจะเจอกันอ่าแต่ก็หาหุ่ยไม่ไหวได้พูดกันที่หัวกันอยู่กันทั้งหมดสามแนอยู่กับโยมนี่ก็ยังไงแต่ท่านไ้อยู่ได้ไม้อยู่ทวันนี้ย ไม่จำเจ้าข้าฮะโอ้อถ้าว่าไม่มีอะไรก็ด้ถ้าเราเดินเรื่องบาะลผู้ไริหไม่ได้ฟอกเยไม่ได้ไม่ได้มีในจังหวันี้ทิพยยังไงก็พูดตรงๆในกรดก็รดเลยโหก็โอ้โหเอ่ไม่พ้พูดไม่พ้อก็พูดไม่พอมาเลยม่มีอะไรเออเขาะล่าพูดื่อใครของของคนทีเห็นว่าอ่าหรือว่าเป็นคนที่คือไม่มีมารยาเพราะนั้นเองอ่าไม่ว่า ปวดอะไรปวดตรงๆก็ปวดตรงๆแล้วพวามปดที่เราปวดตรงๆที่เราเรื่องๆตรงๆมันเห็นไหเห็นอยู่คั้งนี้เห็นราการเลยที่ได้ตรงเนี้ยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่อาจารย์มาณโดนพรยการด่ามึงไอ้ม้าบ้ากัมึงอยู่มึงว่ากูพอเขาด่านะไอ้ไอ้ขุนนะตนนี้กทุกขุนถึงไหม นี่นี่ปวดน่้างน้ำรุพอเราอุ่นแล้วก็มันจะแฝกลงแฟกลงแฟกลงืออเขาถนาวเราไม่ปวดใช่ไหมเขากระต่าอยู่นี่เขาว่าอยู่นี่เลยแง่เราก็่ดูนี่เราดูใจเขาไม่ปวดเหลืออยู่เยแเราไม่กดต้องยไปใช่ไคนด่าก็เดินหนีอย่างน้เราเราไม่ได้ดูเขาก็ด่าไม่ได้ดูแตดูใจเขอเอง เยอะขนาดนีมันดีขนาดนี้คนติดเพราะการนั่งยิ้มคนยิ้มนั่งยิ้มยิ้มเห็นเห็ความดีของตัวเองยิ้มร่นก็ได้สิร่นก็ได้สิเลยได้เลยอันนี้คือเรียกว่าพอเอามาดูตัวเองมันจะไม่รับไม่รับอารมณ์ที่เขาว่าเราว่าประมาณพอไม่รับปุ๊บแล้วไม่ก็ไม่ปวดมันไม่ฟุ้งนี่เองอันนี้คือเรียกว่าเป็นประสบการณ์อผู้สู่วัยเนาะ ก็ขออนุญาตนะนะการมาเนะองอาประสบก็เหมือนในสิ่งที่หขวงพอ่อสอนหลวงพอ่อบอกหลวงพอ่อแสดงให้ดูโดยเฉพาะตอนาการป่วยแสดงอย่างโอโสุดยอดเลยไม่เลยมันมันนั่ไปเรื่อ ง, ม, อางจจาามาใกล้คลิดตอนนี้กังวลท่านจะไม่มีแสดงความเรียกว่าปวดโอยหรือความติดความปวดให้ยังแม่แต่นิดเดียวยไม่มีนะมีแต่ อุสบายนาตาบอไปมาที่ไหนห่อบอกไปปกตินาตาไม่เห็นดูหน้ า, าก็า ร, รกกู้เลยดูหน้าเด่นปกติแล้วสิ่งสำคั น, นทีทท่สุดที่โอ้ที่เห็นได้ที่ประทัดไจที่สุดที่ในห้องโรงพยาบาลคุณไปเยี่ยมพูดได้ใช่ไหมเหเกียนคือใก่ในกระดาษเขาไหเอ่านแล้กะมได้อานี้วจะยิมยิ้ยนอะไร หลวงพ่อไม่ได้เป็นอะไรอยู่ที่นี่ี่ยนงพักนี่นอะไรมองดูห่อหลวงพ่อสบายดีอะไร้ใครเดนลแล้วอันนี้มันบ่งบอกถัว่าเราเป็นของหลวงพ่อเพราหลวงพ่อป่วยทำไมกาลังใจหลวงพ่อไี่ได้เราเป็นเศร้าเหรไม่ได้เกมีเลือที่หน้าป่วยเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่อป่วยไม่ใจ่ําลังใจคนดีไหมใจเย็นหลวงพ่อให้กาลังใจคนดี อาจารย์ก็นั่งคิดโอ้แคนดี้คนดีจะให้กำลังใจคนป่วยท็อปคนป่วยให้กำลังใจคนดีเพราะอะไรแค่ธรรมชาตของเราเองที่เราอยว่ในระดับเป็นผูน้เชชอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นเราก็พยายามพึทธะกระเริ่นตัวติให้มากเพื่อยกระดับให้ได้ไดันหลวงพ่อบอกพระครรภอาน